อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรัปปุรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่การเปิดสถานีเลยนะคะค่ะสําหรับในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์เรียกว่าเสาร์ที่หของเดือนมีนาคมนะคะเป็นวันเสาร์สุดท้ายละเป็นวันขึ้น9ก้าข้าเดือน5ปีมะโรงค่ะ ซึ่งในทุกๆเช้าวันเสาร์ดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะได้เรียนสนทนาปัญหาธรรมะหรือที่เรียกกันว่าสากฉากับท่านพระอาจารย์ไทบูรณภิพุโนโซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนปิดวาจาแล้วก็ตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนไหโศกตาบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็มี พระเดชพระครูหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตูภาโสหรือท่านพระคุณสิทธิธ์พพากอนนั้นท่านเป็นเจ้า อ, อาวาานะคะเราออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในเช้าวันเช้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวาจานี่แหละค่ะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะจะเป็นวาจาที่เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวทัานขอนําท่านผู้ฟังมากราบนมสักการพระอาจารย์ไปบูชาภิพุทโธพร้อมกันเลยดีกว่านะคะกราบน้อมสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญบอลทเจ้าค่ะ อาโยมอยากจะขอหยิบยกเรื่องของวาจามาพูดคุยนะเจ้าคะ่ะเพราะ<ช>ว่าใน<ๆ>ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เจ้าคะ่ะโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวของบ้านเมืองอโดยเฉพาะที่กกเกี่ยวกับเรื่องของรัฐสภาเนี่ยนะเจ้าคะ่ะก็เห็นว่ามันมีความรู้สึกขัดแย้งกันเยอะแล้วก็ในการพูดหรือว่าการใช้วาจาต่อกัรเนี่ยเจ้าคะ่ะบางทีการที่คนเรา มีความเห็นที่แตกต่างกันนะเจ้าคะตามระบบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าหากว่าพูดหมายถึงว่าพูดความเห็นของเราแล้วคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยนี่บางท่านก็อาจจะมีวาจาที่ไม่ค่อยอสนับสนุนเท่าไหร่ก็คือพลังเผือพูดออกมานะเจ้าคะ อ, อันนี้ยมก็เลยอยากจะขอหยุ่ยกเรื่องนี้มากราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องของวาจาที่ว่าถ้าหากว่าเกิดตัวเรานะเจ้าคะ มีวาจาอะไรที่ไม่น่าพอใจมากระทบเราอันนี้ก็คงไปเข้ากับคำถามที่ท่านผู้ฟังที่ใช้นามว่าระยองนะเจ้าคะ่ะถามเข้ามาในในเว็บไซต์บบขกงการเจ้าคะ่ะว่าเหมือนกับถ้าเผื่อเราโดนวาจาแบบนี้คือเขาพูดในสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือว่าเหมือนพูดประชบประเทียบเรานั้นเนี่ยนะเจ้าคะเราจะทำจิตเรายังไงให้ให้รับฟังจิงเหล่านั้น ให้ให้สงบแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวคเจ้าค่ะก็ข อ, ขอกราบนมรดการค่ะอันอันนี้ก็มาดูถึงพุทธวัจนะสักนิดหนึ่งก่อนเอ่อที่พระพุทธเจ้าพูดถึงการดำรงจิตไว้เมื่อถูกเบียดเบียน ด, ด้วยวาจาพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเอ่อยังยังไม่ได้ถึงตัวอย่างก่อนพูดถึงวาจาก่อนนะว่าวาจาที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเราเนี่ยมีอยู่5้าอย่างคือวาจาที่เราจะได้รับฟังเนี่ยนะคุณยม ต้นใจที่จะฟังผ่านทางหูของเราเนี่ยมันจะมีอยู่5ลักษณะตอนนั้นเองนะที่เขาจะกล่าวหาเราไดนะ้คืออันที่1นึ่อตอนนี้เราก็พยายามจะทําความเข้าใจเรื่องที่เขาจะมากล่าวหาเราก่อนนะ <Okay. S 1> อันแรกเนี่ยก็คือเรื่องที่โดยการหรือโดยไม่ใช่การนะคือถูกเวลาหรืออาจจะไม่ถูกเวลาก็ได้นะคือสมมติเวลานี้เขาให้พูดคุณก็พูดหรือในบางครั้งเขาเวลานี้เขาไม่ให้พูดคุณกลับพูดขึ้นมานะเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขึ้นมาโดยถูกต้องตามกาละเวลา หรืออาจจะไม่ถูกก็ได้อันนี้ข้อที่1นึข้อที่2ก็คือกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องที่ไม่จริงนะเรื่องที่เขาเอามากล่าวหาเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้คือสมมุติว่าถ้าเราเราไม่สวยอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดเรื่องจริงจริงก็ได้ที่เราไม่สวยแต่เขาก็ยังมาพูดย้ำอยู่นั่นแหะอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือเรื่องจริงหรืออาจจะเรื่องที่ไม่จริงก็ได้อย่างเช่นว่าเรา <S <S ขี้เรเราอาจจะหน้าตาไม่ดีแต่เขาแหม่พูดเย้อเย้ยว่าเราสวยเหลือเกินอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่จริงละ ก็ก็จะนี้เป็นข้อที่สอง <Okay. S 1> นะข้อที่3ก็คือว่ากล่าวโดยวาจาอ่อนหวานหรือว่าโดยวาจาหยาบคายนะคำพูดของบางคนเนี่ยคุณยมเดินใจเขาแหมคําพูดนี่อ่อนหวานฟังแล้วลื่นหูแต่ว่ามันเชื้อเฉินเาค่ <Okay. S 1> นะเนื้อออกไหมนี่คือลักษณะของคําพูดอ่อนหวานนะหรือคําพูดของบางคนเนี่ยหยาบคายมากกักระหูฟังแล้วมันมันมันหยาบมันแยงหูนะนี่คือลักษณะของคําหยาบ นะคือผู้เช้าเคยจัดเอาไว้ในเรื่องของมิจฉาวาจาที่ว่าคำหยาบเนี่ยคือคําพูดที่ทําให้หลุดออกจากสมาธิเพราะฉะนั้นไอ้คาพูดที่อ่อนหวานฟังแล้วมีสํานวนภาษาที่ไพเราะแต่ว่าทําให้หลุดออกจากสมาธิเป็นวาจาที่กระทบกระเทีบเบียดเบียนอันนี้ก็ถือว่าเป็น เ, เป็นวาจาหยาบเหมือนกันนะใช่ค่ะข้อที่สคือวาจาที่คนอื่นจะกล่าวหาเราได้หรือวาจาที่เราจะได้รับฟังอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยมีข้อที่4ี่ก็คือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ในะอย่างบางทีเขาพูดกันในรัฐสภาเละคุณผู้ชมเตือนใจเรื่องมีประโยชน์ก็มีเรื่องไม่มีประโยชน์ก็มีน ะ, ะคือบางทีอภิปรายเรื่องนี้อยู่เอาเรื่องอื่นมาริ้วเรื่องอะไรมาพูดขึ้นมาแซงอย่างนะี้นะก็มีเรื่องแบบนี้ก็มีนะแล้วข้อที่5้าก็คือกล่าวด้วยจิตที่มีเมตตานะหรือจิตที่มไม่มีเมตตาคือมีโทสะอยู่ได้ทั้งหมดสองคูนะ่ทั้งหมด10อย่างเป็นห้าคู่อย่างนี้ น, นี่คือวาจาที่เราจ ะ, จะได้รับฟังอยู่เป็นประจำ นัมี5้าอย่างอย่างนี้เจ้าค่ะก็สรุปว่ า, าที่พระอาจารย์ได้เมตตาสากกะฉามานะเจ้าคะ่ะพระพุทธองค์หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแบ่งาวาจาทั้งหลายแหล่นี้นะเจ้าคะ่ะ อ, ออกเป็นห้าคู่สิประเภทด้วยกันอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสากกะฉามมาแล้วนะเจ้าคะ<า>ที่นิยมก็อยากจะขอกราบนิมนต์ให้พระอาจารย์ภัยูณหิพูน โ, โนได้ สากชาหรือว่าชี้แจงเลยเจ้าค่ะว่าแต่ละคู่นั่นเป็นอย่างไรสมควรจะทํำไหมแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้วาจาแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเหมือนกับผลกรรมหรือว่าสิ่งที่เราจะได้รับประเจักษ์ในการที่ใช้วาจา ท, ที่ที่ไปเชื่อเฉนเขาะจะมีผลอย่างไรบ้างาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะทีนี้เอาเอาที่ประเด็นก่อนนะคุณเดินใจคือว่าเราจะพูดถึงว่าเวลาคุณหนึ่งเขาพูดอย่างงี้กับเรา นะด้วยห้าแบบอย่างเงี้ยเราจะเราจะทํำยังไงตอบสนองกับเขาอย่างไรก่อนนะคือเวลาที่เขาเขาพูดอย่างนี้กับเราเจ้าค่นะะพเวลาที่มีคนพูดกับเราอย่างนี้คุณตือนใจ เ, เราไม่ว่าสักวนันใดวันหนึ่งคือหรือทุกวันเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะเราไปที่ทํางานเราไปโรงเรียนหรือเราไปที่ไหนทุกคนจะพูดกับเราด้วยวาจาห้าอย่างนี้นะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เรื่องไม่จริงก็ได้อ่ อ, อนหวานก็ได้หยาบคายก็ได้มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้าง คนพูดมีเมตตาบ้างหรือมีโทษสาบ้างพูดถูกเวลาบ้างหรือพูดไม่ถูกเวลาบ้างก็มีนั่นคือเราไม่ได้พูดถึงว่ามิจฉาวาจาสัมมาวาจานะบางคนก็พูดสมาามัมมาวาจาปนมะิจฉาวาจาแต่โดยเรื่องราว5อย่างเท่านั้นเองทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาคนเขาพูดกับเราด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้แต่บางทีเราจะรู้สึกอย่างไรได้บ้างในะสิ่งที่เราควรจะตอบสนองไปเนี่ยเราควรจะตอบสนองไปอย่างไร แะพระเจ้ายืนยันอย่างนี้คุณเตือนใจว่าเราจะต้องตอบสนองไปด้วยกระบวนการของมักมีองแปดนั่นคือเราต้องอยู่ในมัก <Okay. S 1> คือเราจะไปด่าเขาได้ไหมไม่ได้เราจะไปคิดโกรธเกลียดเคยดียดแค้นจี๊ดจ๊ดไม่ได้เราจะไปอิจฉาริษยาไม่ได้นะไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรก็ตามเราจะไม่ควรไปตกอยู่ทางด้านที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้แน่นอน <Okay. S 1> นะคือคือสมมุติว่าเขาพูดกันในทีวีเขาด่ากันในสาภาอย่างเงี้ย เราจะคิดแบบไม่พอใจไม่ได้คุณห้ามเป็นอ่า <c oughs> ทีนี้อ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นกันอย่างนั้นสน <c oughs> สัยจะส่วนใหญ่จะทำยากอะเจ้าค่ ะ, ะหรือบางเรื่องที่เขาแหมพูดด้วยเรื่องจริงอ่อนหวานมากๆเลยชื่นชมเราเราก็ไม่ควรยินดีมีความฟุง้งซ่านแห่งจิตไม่ได้ <c oughs> จิตเราควรจะอยู่กลางๆนิ่งๆสบายๆอยู่คือทั้งบวกและลบนี่ ก็ขอให้เราทําจิตให้เป็นกลางใช่ใชถูกต้องถูกต้องอทีนี้ว่าส่วนใหญ่เราจะทํำยังไม่ได้อย่างนั้นนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระอาารรณ์แล้วนะหรือว่าเราพระอาารรณ์ทั้งหลายเนี่ยมีคนก็มาด่ามีคนเขาาา้มเขามาใส่ความอะไรพวกนี้ก็จะอดทนได้นะอยู่เป็นปกติหรือมีคนมายกยอ่อโอ้โหให้ยกยอปอปั้นต่างๆนานานะพวกนี้ก็จะอยู่นิ่งเป็นปกตินะทีนี้เราปุถุชนคนธรรมดาคุณเตใจ ยังตื่นเช้าไปทางานต้องทำมาหากินเราจะทำจิตอย่างนั้นได้อย่างไรตรงนี้ะ เ, เราก็จึงต้องมีกระบวนการวิธีการนิดหนึ่งพรนะพุทธเจ้าจึงให้เป็นผู้ที่ดำรงสติอยู่อย่างที่อย่างอย่างไรในการที่เพื่อชีจะให้เราไม่จีจารมากในเวลาที่เราถูกวาจาเหล่านี้มากระทบล <Okay. S 1> องคิดดูนะบางทีเราได้รับได้ยินเสียงวาจาเนี่ยคนพูดเนี่ยนะคนพูดคนเดียวคนพูดคนละคนแต่พูดเนื้อหาอย่างเดียวกัน เดีด้วยน้ําเสียงคนละน้ําเสียงเท่านั้นเราเราโอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาทันทีในอย่างสมมติคาําด่าอย่างเช่นว่าไอ้หมูไอ้หมาอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เป็นเป็นคําแสลงที่บางทีก็เรียกเด็กน้อ ย, อยที่เขาเอ่อน่ารักน่ารักว่าโ oh, อ้ไอ้หมูไอ้หมาน่ารักจังอย่างเงี้ย <Okay. S 1> อย่างภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีคําพูดที่เรียกเด็กน้อยนะ <laughs> ท, ที่อาจจะพูดออกอากาศไม่ได้ว่าเป็นคําพูด <laughs> ที่เรียกเด็กด้วยน่ารักน่าอ็นดูอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปเรียกผู้ใหญ่นี่โอ้ไม่ได้เลยกลายเป็นคําที่ดูถูกไปอ่า ซึ่งคําพูดเหล่านี้นะด้วยน้ําเสียงกั น, น้ําเสียงใช้ในกรณีคูมันกลายเป็นคนละเรื่องไปเหมือนกันและแสดงว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดคํานั้นไงปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวคําพูดหรือว่าคลื่นเสียงที่ส่งออกไปนะปัญหาม่ได้อยู่ที่ผู้พูดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผู้พูดคนนี้เนี่ยไปพูดกับใครคนนั้นเขาจะต้องมีปัญหาหมดถูกไหมอย่าสมมุติว่าถ้าคําพูดของออกมาไม่ดีอย่างเงี้ยุกตัวอย่าง น, นนะไปพูดให้ใครฟังเนี่ยคนอ่นเขาก็จะไม่ดีหมด แต่ว่าบางคนก็จะดีบางคนก็จะไม่ดีแต่ว่าคําพูดของเราเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาอยู่ที่คนฟัง ค, คนฟังคือตัวเราต่างหากนะที่เป็นปัญหาในในคําพูดต่างๆที่มากระทบทเรานั้นสมมุติว่าถ้าเขาพูดคํานี้เนี่ยเอารามาเคยพูดไว้ในรายการอยู่ว่าถ้าเรามีใครก็มาด่าเราเนี่ยเราจี๊ดขึ้นมาเราไม่พอใจขึ้นมานนี่ก็มาตรฐานหนึ่งละ เวลาที่เขามาพูดดีๆกับเรายกย่องเราสรรเสริญเราพูดดีๆกับเราเราดีใจด้วยอันนี้ก็มาตรฐาน2องละแสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยมี2มาตรฐานคือแทนที่เราจะเป็นมาตรฐานเดียวคือมีเมตตาตลอดเวลานะใครมาพูดด่าเราเราก็มีเมตตาใครมาพูดชมเราเราก็มีเมตตาอันนี้เป็นจิตที่มีมาตรฐานเดียวนะทีนี้ในในกระบวนการที่จะทําให้ได้อย่างนั้นจะทําให้จิตของเรามีมาตรฐานเดียวให้ได้จะทําให้จิตเราเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านี้ พระเจ้าเคยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมาายเปรียบเทียบประไวคุณเตือนใจว่าเปรียบเหมือนกับคนที่ถือเอาจอบนะกับบุ้งกี่มาสมัยนี้ก็เป็นจอบกับบุ้งกี่นะแล้วก็มาเพื่อที่จะมาที่ผืนดินผืนหนึ่งมาแปลงนาะแปลงหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าจะขุดแผ่นดินใหญ่เนี้ยไม่ให้เป็นแผ่นดินแล้วเาก็ขุดใช้จอบใช้เสียมเนี่ยขุณ ขุดให้บุง้งขีตักไปทิ้งนะขุดแล้วก็ขากถุยกระทือบอยู่ตรงนั้นบอกว่าอย่าเป็นแผ่นดินอย่าเป็นแผ่นดินอีกต่อไปนะเขาทําอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะทําให้แผ่นดินแผ่นนั้นเนี่ยไม่เป็นแผ่นดินขึ้นมาได้เลยต่อให้เขาเอารถแมกโครมาขุดนะเครื่องจักรมาช่วยแล้วนะเขาก็ขุดลงไปลึกเท่าที่เขาพอจะขุดได้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผืนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นแผ่นดินอีกต่อไปได้นะคือข้อนี้จะทําไม่ได้นะทุกท่ายกตัวอย่างอุปมาอุไมเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับ จิตของคนที่มีเมตตาจิตของบุคคลที่มีเมตตาเนี่ยเมื่อมีเมตตาประกอบพร้อมอยู่ในภายในเนี่ยไม่ว่าเขาจะกล่าวหาด้วยเราด้วยวาจาที่ด้วยวาจาหยาบด้วยเรื่องไม่จริงด้วยเรื่องไม่มีประโยชน์ด้วยมีโทศาสร์ในภายในแล้วก็ไม่ถูกเวลาด้วยนะเราก็จะไม่โกรธเขานะจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปนะเราจะมีจิตที่เป็นจิตที่เอ็นดูเมตตาเกื้อกูลแผ่ไปยังบุคคลนี้ นะโดยแผลบยังสับสัตต์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์นะเราจะทําได้ถ้าเราจิตเรามีเมตตาเนะีเมตตาเนี่ยเปรียบเสมือนกับพื้นแผ่นดินใหญ่ที่ใครๆจะมาทําให้สะทกสะท้านกระทบกระเทือนด้วยการที่มาขุดมาทําอะไรเงี้ยไม่ได้นะ <c oughs> หรืออุปมาอุปไมยอันที่สองคือบางคนอาจจะคิดว่าเออถ้าเราจะทําจิตให้มีเมตตาถึงขนาดที่ว่าเขาจะมาทําให้สั่ น, ส ะ, น, ส, ะนสะท้านสะเทือนไม่ได้เนี่ยเราจะเจริญเมตตายังไงอันนี้จะบอกตอนท้ายก่อน เรจะบอกตอนท้ายที่หลังในในการบทสนทนาสังกัชาครั้งนี้แต่ต้องการจะยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเลยถึงกระบวนการของจิตของเรานะถ้าผมว่าเราถูกเขาว่าเขาดา่านะเขาพูดกระทบกระเทียบมาอย่างเงี้ยถ้าเราทําจิตที่เหมือนแผ่นดินซะนะเราก็ไม่มีปัญหาหรือในยะที่2พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับทําจิตให้เหมือนกับอากาศนะเป็นอากาศเป็นยังไงคือสมมติคนเขาเอาสีสีน้ําหรือสีสเปร์นะหรือว่าสีเทียน หรือว่าเอาสีน้ำมันมาแล้วเขาก็บอกว่าจะเขียนรูปในอากาศนี้ให้เป็นมีรูปเขียนปรากฏอยู่โดยไม่ใช้แผ่นผ้าใบแเขาจะทำไม่ได้คุณตือนใจเขาจะเอาสีสเปรย์มาพ่นหรือว่าเอาสีน้ำสีอะคริลิกหรือว่าสีน้ำมันเนี่ยมาละเลงในอากาศเพื่อที่จะให้สีมันติดอยู่ในอากาศเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาทาไม่ได้ไปไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย แล้พระเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเธอทําจิตให้เหมือนกับอากาศนะเธอก็เป็นสิ่งที่หารูปปรากฏอยู่ไม่ได้อะไรมันจะมาติดกับอากาศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เดเช่นเดียวกันถ้าเราทําจิตให้มีเมตตาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับจิตที่เป็นอากาศนะอะไรจะมาเขียนมาติดอยู่กับอากาศนี้เป็นเป็นไปไม่ได้เลยนะอุปมาอุปไมยอันที่3ที่พระเจ้าเคยยกตัวอย่างเอาไว้ก็เปรียบเสมือนกับอ่านา้ํา นั่นคือทําจิตให้เหมือนน้าเป็นยังไงทําจิตที่เหมือนน้าก็เปรียบเสมือนกับแม่น้ําเจ้าพรยาหรือว่าแม่น้ํำคงคาหรือว่าแม่น้ําโขงตอนนี้มันน้ํามันยังมากๆอยู่นะตอนนี้แม่น้ำโคงรู้สึกจะน้อยไปหน่อยก็คือว่าให้เอาจิตเหมือนน้าเนี่ยเวลาที่คนเขาเอาคบเพลิงญ้ามาแล้วเขาก็บอกว่าจะเผาจุดเผาแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยหรือแม่น้ําคงคาหรือแม่น้ำโขงเนี่ยให้เดือดพร่านร้อนจัดด้วยคบเพลิงย่าเขาจะทําไม่ได้นั่นคือไม่ต้องพูดถึงให้มันเดือดพร่านร้อนจัดหรอก เอาแค่ว่าให้มันร้อนสักนิดสักหน่อยเนี่ยพอจะอาบได้อุดได้เนี่ยก็ยังไม่ได้เลย <Okay. S 1> นะเพราะว่าความร้อนของคบเพลิงย่าเนี่ยมันมันไม่พอนะถ้าเราเคยใช้คนที่รู้จักคบเพลิงย่าเนี่ยคือเอาฟางมาคุณเใจเขาเอาฟางมามัดมั ด, ม ด, มดเป็นก้อนๆแล้วก็จุด เ, เป็นไฟขึ้นนะ <Okay. S 1> เชื้อไฟที่มาจากเอาเจอาพวกไอ้โคนเปลือกญ่าเนี่ยเขาเรียกว่าฟางข้าพวกนี้นะมันเป็นไฟที่มีปริมาณไฟน้อยแล้วก็มีควันมาก แล้วก็ไฟที่ได้จากตรงนี้ก็ก็ไม่สว่างนมันก็จะมีคุณ น, น้อยแล้วก็มีโทษมากนะจะเอามาติดไฟอะไรก็จะจะใช้งานไม่ได้นจะไม่ใช่เหมือนกับฐานหรือว่าฐานหินหรือว่าฐานไม้แข็งพวกนี้จะไม่เหมือนกันจะติดแค่เดียวนะใช่ก็ติดไปอ่าอันนี้ก็ให้ให้ทําจิตเหมือนกับแม่น้ําทําจิตที่เหมือนน้าอันนี้คือข้อข้อที่สามนะอุบมาอุบไม่อย่างที่สี่ที่พระเจ้าเคยยกตัวอย่างไว้คือ แผ่นหนังแมวป่าขนฟูแล้วถ้าใครเคยเห็นแผ่นหนังหนังแกะก็ได้หรือหนังแกะที่มันหนาห น, น, นานุ่มๆนะที่เขานาะฟอกฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงเนี่ยเวลาที่เขาจะเอาไม้ไม้พลองหรือว่าไม้หัวโม่งอย่างที่เราตีตีคองตีระคังพวกเนี้ยมาตีไม้ตีหนังแผ่นนี้ให้มันมีเสียงขึ้นมาเนี่ยดังปรึมๆมเนี่ยเขาจะทําไม่ได้เลย นั่นคือทำให้เราทําจิตเหมือนหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดแล้วเห็นป่านี้นั่นะคือทําจิตให้นุม่มทําจิตให้อ่อนโยนทําจิตให้มีกําลังอย่างนี้เจ้ค่ะอืมเราก็จะสามารถที่จะป้องกันสิ่งที่มามากระทบอย่างนี้ได้าถามว่าคําถามต่อไปก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําจิตให้เหมือนแผ่านน้ําได้ยังไงเราจะทําจิตให้เหมือนแผ่นดินได้ยังไงเราจะทจิตให้เหมือนอากาศได้ยังไง ผู้เช้าเคยยกตัวอย่างของความเมตตาความมีเมตตาที่เราจะต้องทรงส่งไว้ในจิตตลอดเวลาคือเมตตาตรงนี้คุณต้นใจเราไม่ใช่ว่ามาคือคุณได้ฟังวาจาที่ไม่พอใจแล้วคุณจะมาทําให้เกิดขึ้นปั๊บปัแป๊บแมันมันไม่ได้ไนะไม่ได้แน่นอนอเราจะต้องเตรียมการมาก่อนแล้วะนะคือน้ําอย่างน้ําแม่น้ำเจ้าพยาที่เขาไหลามาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะที่น้ํามันมากๆท่วมท่วมเนี่ยนะ<า>มันก็ไหลามาจากนูน่นตั้งแต่ไหนต่อไหนล่ะนะครสวรรค์ นูน่นจังหวัดตากโอ้ยนูน่นไปถึงจังหวัดแพร่อะไรอย่างนั้นนะนะเหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปเนี่ย <Okay. S 1> คือมันค่อยๆไหลามานะจึงมีปริมาณน้ําที่มากขนาดนี้นะอากาศก็เหมือนกันมีอยู่ทุกที่ไหลแทรกซึมไปทุกอนูนะเช่นเดียวกันจิตของเราถ้าเราต้องทําให้มีเมตตาเนี่ยคุณจะต้องทํามาตั้งแต่ก่อนแล้วพระเจ้าเคยบอกว่าเมตตาเนี่ยเราต้องทำให้เหมือนกับเป็นสิ่งที่ทํามาก่อน ทําให้เหมือนกับเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้เราจิตของเราเนี่ยมีเมตตาอยู่เรื่อยๆเป็นบ้านเป็นที่อยู่เวลาที่เราไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยนะไปต่างจังหวัดไปตามประเทศไปทํางานที่นั่นที่นี่เดี๋ยวก็กลับมาที่บ้านเช่นเดียวกันให้ความเป็นเมตตาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตของเราคือให้จิตของเรากลับมาอยู่ที่เมตตานี้อยู่เรื่อยๆกลับมาอยู่ที่เมตตานี้อยู่เรื่อยๆถึงแม้ตอนที่จะไม่มีเรื่องอะไรก็ให้มาอยู่ที่เมตตานี้เรื่อยๆ ทีนี้จะทํายังไงให้จิตของเรามาอยู่ที่เมตตาเรื่อยๆนะนี่พระพุทธเจ้าก็ให้ทางออกไปแล้วเหมือนกันคืออยู่ๆเนี่ยคุณเดินใจจิตเราจะจะไม่ได้ไปคือจิตเราเนี่ยมันจะไปรับรู้ทุกเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวขาพูดขึ้นมาเราก็ไปรับรู้ทางหูเดี๋ยวเขามีทีวีขึ้นมาเราก็ไปรับรู้ทางตาเดี๋ยวเขาส่งอีเมลมาเราก็มารับรู้ทางคอมพิวเตอร์นะจิตเราเนี่ยจะไหลไปตามการรับรู้ทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตีนี้ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมจิตของเราเนี่ยมันก็จะไหลไปตามสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจึงให้เครื่องมือมาอันหนึ่งนนัที่เรียกว่าสตินะสอเสื้อต่อต่าซารอีกนะสติเนี่ยที่แปลว่าความระลึกได้นะคือให้พยายามระลึกถึงความเป็นเมตตานะให้จิตของเราเนี่ยแทนที่จะไหลไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปรู้เรื่องนั้นนี้นะให้คุณมาระลึกถึงเมตตานะคุณจะทรงจิตให้อยู่ในเมตตาได้เรื่อยๆให้เมตตาเนี่ยเป็นเหมือนบ้านของคุณกลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านมามีเมตตาเนี่ยจิตคุณจะต้องมีสติ มาระลึกถึงตรงนี้ให้ได้จุาา๊บค่ะนะพอเรามามีสติระลึกถึงความเป็นเมตตาอย่างนี้อยู่ได้เรื่อยๆนะจิตของเราตรงเนี้ยจะเป็นจิตที่เป็นมหากตะพระพุทธเจ้าใช้คํานี้คือเป็นจิตที่ใหญ่เป็นจิตที่กว้างขวางเป็นจิตที่มีกําลังเป็นจิตที่มีกําลังมากเหมือนกับแผ่นดินนี่ไปมีทุกที่เหมือนกับแผ่นอากาศนี่มีอากาศมีทุกที่เหมือนกับพื้นน้ำนี่โอ้โหใหญ่มากเป็นแน้ําเป็นลําธารอย่างนี้ออกมาอือจุ๊บค่ะ กว้างใหญ่สะจนไม่มีอะไรมากระทบได้ใช่เะเป็นมหากตะเป็นจิตกว้างขวางว่า ง, งันแต่ตอนนี้วิธีที่จะทำเป็นอย่างั้ น, นะเจ้าคะ่ะยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พยูนพิพุนโหได้สักชาหรือว่าชี้แจงให้ฟังเจ้าคะ่ะว่ากว่าเราจะทำจิตให้มีสติแล้วก็กว้างขวางรับสามารถรับได้กับสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดี โดยที่ทําจิตให้เป็นกลางคืออยู่ในความสงบเป็นกลางได้อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักฉามานะเจ้าคะถามวิธีการอย่างไรเจ้าค ะ, ะวิธีการก็คือมีสติที่บอกว่ามีสติอยู่ในเมตตาใช่ไหมทีนี้สติตรงนี้เราจะสั่งให้จิตเรามามีความระลึกถึงเมตตาระลึกถึงเมตตาอยู่เรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันจะทําไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจิตของเราจะไหลไปตามสิ่งที่มากระทบณไหนกระทบแรงกว่าก็ไหลไปตามนั้น อย่างเสียงที่ดังเราก็จะได้ยินเสียงที่ดังมากกว่าเสียงที่ค่อยหรือว่าอะไรที่มันมีผัสสะมาแรงๆกว่าเนี่ยเราก็จะไหลไปตามนั้นนั่นนี่เป็นปกติของจิตที่มันจะไหลไปตามสิ่งที่มากระทบทีนี้เราจึงต้องมีการฝึกการฝึกให้เรามาระลึกถึงอยู่เรื่อยๆให้จิตเนี่ยคอยที่จะสละออกมาควบคุมให้ได้นะคุณจะไปรู้ที่ไหนคุณควบคุมไม่ได้คุณจะมารู้ที่ไหนคุณควบคุมไม่ได้นะตรงนี้เครื่องมือที่เราใช้ก็คือการมาสังเกตลมหายใจ อย่าพระพุทธเจ้าให้ทำอนาปานาสติแล้วคือใช้อนาปานาสติเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือในการฝึกนะอนาปานาสติเป็นเครื่องมือนะเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการที่จะฝึกจิตของเราฝึกจิตเพื่ออะไรให้จิตของเรามีสติมีสติแล้วยังไงเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมาลึกถึงความมีเมตตาได้พอลึกถึงความมีเมตตาอยู่เรื่อยๆทาอยู่เรื่อยๆจิตเราเป็นมหากตาะะเป็นใหญ่ละไหนะมีอะไรมากระทบ จิตเราก็จะเหมือนแผ่นดินเราไม่กระเทือนมีอะไรมาใส่ความเรามาใส่ไฟล์เราเราก็เหมือนแผ่นน้ํานะจุดให้เดือดพลาดร้อนจัดไม่ได้ลักษณะนี้ค่ะอันนี้คือกระบวนการการฝึกนะคุณต้นใ จ, จ ค, ค, คือหมายว่าอันนี้ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะต้องใช้เวลาเยอะเลยค่ะต้องใช้เวลาในการที่จะจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะจากคนที่จี๊ดจา๊าดนะโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จี๊ขึ้นมาเนี่ยมาเป็นอย่างนี้เราต้องใช้การฝึกนในการที่จะทําจิตให้เป็นอย่างนี้อันนี้มันจะเป็นอัตโนมัติไป นะทีนี้มันจะมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ที่ว่าพอเราทําแล้วเนี่ยจะทําให้ความโกรธความอะไรมันคลายไปได้ทันทีผู้เช้าก็เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันวิธีการอย่างไรจู่ครับคือวิธีการที่รัะอกุศลคือเวลาเราเขาด่าเราเนี่ยนะหรือเขาไม่ได้ดา่าเราเขาพูดกร ะ, กร ะ, กระทบกระเทียบเรานิดหน่อยหน่อยเราก็รู้สึกจี๊ดขึ้นมาเรารู้สึกจี๊ดขึ้นมาเนี่ยวิธีการแก้เลยทันทีนะผู้เช้าก็แนะนําไว้อีกห้าวิธีนะคือวิธีแรกเนี่ยก็ให้ พยายามที่จะนึกถึงว่าไอ้ตรงนี้เป็นอกุศลนะสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเราไม่ควรทำํำนะพอนึกถึงตรงนี้เราจะวางได้นะแต่บางคนวางไม่ไดนะ้พอวางไม่ได้ก็ให้วิธีที่2องนะัคือให้เห็นโทษของอกุศลนะให้เห็นโทษของอกุศลอย่างเช่นว่าคนที่คนวัยรุ่นเขาเป็นสิวอย่างเงี้ยเขาส่องดูด้าในกระจกตัวเองแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นสิวก็พยายามบีบออกเช่นเดียวกันจิตของฉันมีความไม่ดีฉันก็พยายามจะสละความชั่วนั้นออกไปนี่คือวิธีการที่2 วิธีการแรกนี่ก็เปลี่ยนสูเหมือนเรามองสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ชอบมองแล้วก็มองไปทางอื่นนะ น, นี้วิธีการแรกก็คือว่าไอ้สละความที่เป็นอกุศลนั้นไปซะหลีกเลี่ยงไปซะใช่ห ล, ลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องฟังก็ห น, นีไปทางอื่นเราจะได้ไม่ต้องฟังอีกเนี่ยอย่าไปฟังอยู่เรื่อยคื อ, ค, ค, อคือบางคนก็เป็นอย่างนี้พอเขาเขาด่าเราเนี่ยไอ้เสียงคนดา่าหรือว่าคนด่าเขาไปแล้วนะกลับบ้านมัยังคิดอยู่นั่นนะ<ช>อ่ะหเขาด่าฉันอย่างนี้นอนก็ยังเอาไปฝันด้วยนะอันนี้อันนี้ยิ่งไม่ถูกเลย คุณจะยิ่งช้ำหนักเข้าไปอีกยิ่งเจ็บหนักเข้าไปอีกนะทุกๆครั้งที่คิดนี่เป็นการทำรลายตัวเองเราจะทําไม่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยก็ใช้กระบวนการ5อย่างที่กำลังจะพูดถึงตอนนี้ว่าอันหนึ่งก็คือละความคิดนั้นไปซะอันนี้เป็นอากูสโซแลก็วางไปซะนะหรือว่าเราก็หันไปมองทางอื่นมันคือไปคิดเรื่องอื่นซะหรือว่าเห็นโทษของข่าวเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีนะั้นเราก็วางซะหรือว่าใช้กระบวนการที่มองเห็นว่าเออเขาอาจจะมองเห็น คุณในสิ่งที่เป็นโทษนั้นพรนะเจ้าใช้คําว่าให้เห็นการปรุงแต่งของสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นคือหมายความว่าเปลี่ยนอกุศลนั่นน่ยให้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นกุศลซะคืออย่างเช่นว่าเขาด่าเราใช่ไหมเออดีละเขาด่าเราก็คงจะเป็นการทดศอบว่าให้ชั้นจิตฉันมีกําลังอย่างเงี้ยมองโลกในแง่ดีว่างั้นเถอะน ะ, ะหรือว่าวิธีที่หที่พระเจ้าบอกไว้ก็คือว่าการใช้วิธีการหักดิบนะหักดิบก็คือว่าเอาจิตข่มจิต นะเอาเพดานดันลิ้นเข้าไปคื อ, อทำทำตัวเองให้ลืมเรื่องนั้นไปซะบางคนก็วิธีการที่พระเจ้าใช้ก็คือกั้นะลมหายใจนะเพราะกั้นลมหายใจหรือว่าเอาดิ้นลิ้นดันเพดานเนี่ยก็จะทําให้ตัวเองปวดขึ้นมาพอปวดขึ้นมาแล้วมันก็จะลืมเรื่องอื่นๆไปหมดอย่างเงี้ย อ, อย่างคนที่ป่วยเนี่ยพอป่วยเสร็จปุ๊บก็จะลืมเรื่องอื่นๆไปหมดอนะนะในลักษณะก็มีอืมเจ้าค่ะก็เป็นหวิธีนะเจ้าค่ะใช่ ห้าวิธีที่จะทําให้จิตของเราคลายความเป็นอกุศลแล้วนะเราจะต้องค่อยๆฝึกจิตของเราให้จิตของเราเป็นมหากระตักนะเป็นจิตใหญ่จิตที่ประกอบพร้อมด้วยเมตตาคือคือเรื่องนี้อะมาเข้าใจอย่างนี้คุณตนใจว่า เ, าเรามาพูดกันในแต่การวิทยุนี่มันพูดง่ายนะคือพูดตอนที่เขาไม่ได้ด่าเราเนี่ยมันพูดง่ายนะหรือพูดตอนที่เรายังไม่มีข่าวในหนงังสือพิมพ์เขามาเขามาด่าเราอยู่ไง มันพูดง่ายเวอยว่าเ้ยคุณปล่อยวางเถอะคุณอย่าไปคิดอะไรมากแต่พอตัวเองโดนเข้าจริงๆเนี่ยโวมันจีดนะนึกนึกเหรอไหมมันจีเราคุมสติเราก็ไม่ได้ใช่เราจะต้องค่อยๆฝึกไงเราจะต้องค่อยๆฝึกคือไอ้พวกกิเลสหรือว่าความความเร่าร้อนหรือว่าไอ้เรื่องปัญหาในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มารอเราให้ให้ให้ให้นั่งสมาธิหรืออะไรเราจะต้องคอยเตือนตัวเองเราอยู่เรื่อยๆ ในะชื่อเสียงหรือว่าการเสื่อมเสื่อมจากชื่อเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคู่กันถ้ามีชื่อเสียงมันจะต้องมีคนด่ามาคู่กันรุเช่าของเราก็ยังเคยนะปกติถ้ามีคนมาพูดไม่ดีกับอาตมาอย่างเงี้ยนะอาตมามีวิธีการคิดก็ง่ายๆก็คือว่าขณะรุเช่ายังโดนด่าเลยแล้วเรา <Okay. S 2> เป็นใครเราจะไม่โดนด่าอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> มันก็เป็นธรรมดา <Okay. S 2> ถ้าเขาจะด่าเราก็จะว่าเราก็เป็นกรรมใครก็รับไปล้วกันแต่ว่าจิตของเราจะไม่แปรป ร, รวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาป เราจะมีเมตตากับบุคคลผู้นั้นอยู่เสมอก็คิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาืมเจ้าก็เรียกว่ า, เ, าเราใช้จิตของเราเนะี่ยเจ้าคะให้เป็นประโยชน์ในการที่จะฝึกจิตให้มีพลังให้มีความเมตตาอยู่เสมอดังนั้นก็จะเปรียบเหมือนฝึกให้จิตของเราเป็นเหมือนแม่น้าอันกว้างใหญ่นะเจ้าคะใช่ศาหรือว่าเป็นอะไรที่ว่าเป็นพื้นแผ่นดินที่ไม่มีใครจะสามารถมา มากระทบหรือมาทําให้เราเสียหายไปได้หรือเปลี่ยนแปลงไปได้นะเจ้าคะใช่ อ, อันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคุณตาใจเป็นเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการเนี่ยหมายความว่าคุณก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆ น, นจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้น ะ, นะกระบวนการที่พูดถึง5อย่างอ่าอ่าเปรียบเทียบกับไอ้สิ่ง54อย่างเนี่ยน ะ, ะคือคําพูด5อย่างนี้15คู่10อย่างนี้จะทําให้จิตของเรากระทบกระเทือนได้เนี่ยเราจะต้องทําจิตของเราให้อุปมาอุปไมยเหมือนกับ4อย่างนี้ แล้วก็วิธีการที่จะละไอความอัอกุศณเนี่ยเราจะต้องใช้กระบวนการห้าอย่างที่พูดไปก็คือละสิ่งที่เป็นอักุศณซะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยการปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะง่ายมากก็คือแค่สังเกตลมหายใ จ, จะนะแค่เราสังเกตลมหายใจของเราไปเรื่อยๆนะคือการฝึกสติของเรานะ ใ, นใช้ใ <น S 1> ชั่วโมงบินอ่า ใ, <น>ใช่ใช้ชั่วโมงบินให้มากที่สุดะนะฝึกให้จิตของเราเนี่ยมาะลืกถึงลมหายใจอ ย, อยู่เรื่อยๆพอทาไปแล้วเนี่ย จิตของเราจะเริ่มมีสติมากขึ้นกระบวนการพูดเนี้ยมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอืมเจ้าค่ะก็น่าเสียดายที่เวลาในรายการธรรมารับในช้าวันนี้นะเจ้าค่ะหมดลงแล้วดังนั้นยมคิดว่าพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์นะเจ้าค่ะเรายัางก<ร>็เป็นอยู่ในใ น, ในเรื่องของการสากชาเหมือนเดิมจะขอว่ามาคุยต่อแล้วกันนะเจ้าค่ะคิดว่าทางอารยังมีอีกอีกหลายท่านที่ว่าเอ๊ะจะทํายังไงเมื่อพระอาจารย์พูดมานั้นเนี่ยเอาเฟังรู้เรื่องแหละวันนี้นะเจ้าค่ะแต่พรุ่งนี้นี่ถ้าเกิดว่า เราไม่พอใจเราจะตอบโต้เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนคะคะจะคุยนต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ดีไหมเจ้าค่ะได้ได้ได้สำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องนําท่านผู้ฟังทางบ้านกลาวขอบพระคุณและกล่าวนามาสการลาพระอาจารย์ภัยูุทธอภิพัโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับปรุนของเรานะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มาคุยเรื่องที่เกี่ยวกับวาจากันต่อค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นี่กําลังเป็นที่ คือหากานมากในสังคมบ้านเราที่มีการกระทบกระทั่งกันค่อนข้างมากนะคะการที่เรามาฝึกจิตเราให้เปลียนประดุดเหมือนแม่น้ําแผ่นดินหรืออากาศนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทํายากแต่ว่าทําได้อย่างที่พระอาจารย์ไพลุนอภิปูนโนได้บอกแล้วนะคะก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเจ้าคะ่ะกาบนมสักการลาเจ้าคะ่ะเตียนพานสาธุเจ้าคะ่ะ